เลือกวัจจีกรรมแบบไหนเลือกสังคมแบบนั้นคำที่คุณพูดเป็นประจำทุกวันคือเครื่องพยากรว่าคุณจะถูกแวดล้อมด้วยคนแบบใดวิธีพูดและถ้อยคำที่คุณเลือกพูดจะดึงดูดให้คนที่คลิกกันโคจรมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆถึงไม่รู้จักหน้ากันก็มาอยู่ร่วมโลกกันแต่วิธีพูดและถ้อยคำเดียวกันนั้น จะผลักไสให้คนที่ไม่คลิกกันออกห่างไปแม้รู้จักคุ้นหน้าในชีวิตจริงเขาก็ไม่นึกอยากมาอยู่ในโลกของคุณเลยถ้าคุณชอบโอภาปราสัยธรรมดาก็จะแวดล้อมด้วยสังคมชอบโอภาปราสัยธรรมดาถ้าคุณนิยมคาพูดดาศาศาศ่าสาดในที่สุดจะพบตัวเองอยู่ท่ามกลางสังคมดาศาศ่าสาดถ้าคุณนิยมคาพูดให้สติในที่สุด จะพบตัวเองอยู่ท่ามกลางสังคมให้สติผลของการอยู่ร่วมกับสังคมแบบหนึ่งหนึ่งจะส่งผลให้จิตของคุณร้อนรนหรือเยือกเย็นถ้าปะปนไปกับสังคมหลายแบบจิตก็ร้อนรนและเยือกเย็นสลับกันหลากหลายคนที่หมกมุ่นอยู่กับสังคมด่าศาสย์อย่างเดียวในหัวจะเต็มไปด้วยถ้อยคาไม่ดีมองกันในแง่ร้าย หรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็คุยกันแต่เรื่องโลกแตกปัญหาชวนท้อคำบนที่น่าหดหูเศร้ามองแนวโน้มคือคนกำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ลึกๆหาทางหลีกหนีออกมาจากแรงดึงดูดให้ตกต่ำนั้นแต่ด้วยความที่บุคคลแวดล้อมมีกำลังมากกว่าตัวคุณคนเดียวจึงเหมือนคนไม่อาจเอาชนะแรงดึงดูดนั้นได้เลยเว้นแต่จะพบกับสังคมอีกแบบ ที่ให้แรงบรรดาลใจมากพอกับทั้งเป็นที่พักใจได้นานพอไม่ต้องหวนกลับไปหาลุมดำเก่าๆแม้ในสังคมที่ให้สติกันก็อาจมีคนนิยมด่าศาสตร์ลงเข้ามาถ้าคุณเลือกที่จะพูดด่าศาสตร์กลับก็เท่ากับเลือกที่จะอยู่ในโลกเดียวกันกับเขากนทางที่จะอยู่คนละโลกคือพูดไม่เหมือนกันหรือไม่พูดแบบเขาเลยในที่สุด เขาก็หมดแรงเองเราไม่มีใครพูดข้างเดียวเหมือนเป็นบ้าได้นานๆตัวอยากพูดกับตัวไม่อยากพูดการสื่อสารภายในกับตัวเองแรกๆอยากพูดแล้วได้พูดจะเหมือนกลองกลืนกับตัวตนแต่พูดร้ายมากๆเข้านานๆไปจะกลายเป็นขัดแย้งกับตัวเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจอยากพูดแบบไหนมากๆ ก็สร้างโลกนี้ขึ้นมาอย่างนั้นรวมทั้งสร้างโลกหน้าให้ไปอยู่ต่อโลกเก่าเป็นอย่างไรโลกใหม่คูณสิบคูณร้อยเข้าไปอย่างนั้น